พระเถรีนี้เกิดในสกุลพราหมณ์เป็นสตรีชื่อว่าสุมิตตาได้ร่วมรับเสด็จพระพุทธเจ้าทีปังกรด้วยนางถือดอกบัว8กรัมไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทำให้ได้เห็นฤาษีสุเมธมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบาเพา็ญโพธิญาณจึงถวายดอกบัวแก่ท่านกล่าวว่าข้าแต่ฤาษีดอกบัวห้ากัมจงมีแก่ท่าน ดอกบัวสามกามจงมีแก่ดิฉันข้าแต่ท่านลือีดอกบัวนี้จงเสมอด้วยกับท่านเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณของท่านลือสีสุเมต ร, รับดอกบัวแล้วบูชาพระพุทธเจ้าทีปังกรและได้พยากรลือสีสุเมตรแล้วทรงพยากรพระนางด้วยว่าโดยก่อนลือศีผู้ใหญ่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 มีความถือตัวเข้มข้นเช่นเดียวกันทําให้พระนางและเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอภิเสกกันได้เพราะอยู่ในกลุ่มศักยะด้วยกันกรุงเทวทหะและแคว้นโกริยะวงนั้นหากจะมีอยู่ก็มีฐานะเพียงนิคมแห่งหนึ่งของเหล่าศักยะด้วยกันเท่านั้นหากเทวทหะมีฐานะเป็นแคว้นจริงพวกศักยะวงก็คงไม่ยินยอมให้อภิเสกกันเป็นแน่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 ผู้เป็นนาถะของโลกพระองค์ทรงแสดงดีแล้วข้าแต่พระมหามุนีอธิการการสั่งสมบารมีเป็นอันมากของหม่อมชันย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชันงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่สมควรแม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระองค์ประทานหม่อมชันเพื่อให้เป็นภรรยาผู้อื่นหลายพันโกธ ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยหม่อมฉั้นเมื่อสแสวงหาพุทธธรรมอยู่ก็ได้เป็นบริจาริกาผู้รับใช้พระองค์หม่อมฉั้นได้รับทุกขวิปัติและสุขสมบัติมากอย่างเช่นนี้จึงพร้อมแล้วซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวงบุคคลผู้ถวายตนแก่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่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 กายามิเตพระชาโนอปิพาโลบันดิตโตอสสะพระมมนีกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีกลยานมิตรไว้เฉพาะชาวโลกว่าผู้คบกกลยานมิตรถึงแม้จะเป็นพานก็จะพึงเป็นบันดิตได้บ้างพระชิตบพาสัปปุริสาปัญญาตถาวัถติพระชันตานังพระชาโนสัปปุริเส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 เพราะดิฉันจะนำไปทายาให้ลูกของฉันเขาตอบว่ามีแล้วไปหยิบให้นางก็ถามอีกว่าในเรือนนี้บุตรและทิดาเคยตายบ้างหรือไม่ตอบว่าพูดอะไรคนเป็นนะมีน้อยคนตายมีมากกว่านางจึงคืนเมล็ดพันธุ์ปรกกาศกล่าวว่างั้นก็ใช้ทำยาไม่ได้จนกระทั่งถึงเวลาเย็น นางก็ไม่ได้มาเล็ดพันผักกาดที่ว่าเลยจึงกลับได้สติเข้าใจความตายอธกถาสังยุตติกายเล่าต่างไปว่าทรัพประมาณ80โกดของตระกูลหนึ่งกลายเป็นฐานไปหมดแต่กุดุมพีไม่ได้ขนไปทิ้งเขาคิดว่าน่าจะมีผู้มีบุญช่วยให้ทรัพของเรานั้นกลับมาได้จึงนำาฐานใส่ถาดไปวางขายในตลาด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 แล้วก็ตายในเวลาเริ่มเดินได้นางร้องไห้ไปจนพบพระศาสดาเมื่อหาเมล็ดพันธุ์ในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายไม่ได้นางได้สติทิ้งศพ บ, บุดไว้ที่ศาลาแล้วขอบรรพชาและได้บรรลุพระอรหัสต์ในขณะที่มีดโกนจรดผม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 ก็ความปอนหรือความเศร้าหมองคือไม่มุ่งความสวยงามง่ายๆราคาไม่แพงเหมาะสมกับอัธยาศัยประจําของท่านอัธกถาเอกนิบาตอธิบายว่าความปอนมีสามอย่างคือปอนด้วยผ้าหนึ่งปอนด้วยด้ายหนึ่งปอนด้วยเครื่องย้อมหนึ่งแต่อัธกถาเถรัคถาว่าปอนด้วยมีดหนึ่ง ปอนด้วยได้หนึ่งปอนด้วยน้ำย้อมหนึ่งในอัตถกถาธรรมบทเล่าว่าพระพุทธเจ้าตรัสชมท่านให้เท้าสักกะฟังว่ามหาบอพิษภิกษุณีนั้นชื่อว่ากีสาโคตมีเป็นที่ดาของตถาคตเป็นยอดแห่งพระเถ ร, รีผู้ทรงผ้าบางสกุลทั้งหลายในอัตถกถาเถ ร, รีคถาว่า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 พบทางสุขได้ด้วยกาลยานมิตรหลังจากนั้นพระเถรีได้มีเวลาพิจารณาข้อธรรมปฏิบัติของตนคิดว่าเราอาศัยพระาศาสดาจึงได้มีคุณวิเศษนี้ท่านเห็นความสําคัญของการมีกาลยานมิตรจึงกล่าวว่าเพราะโลกพระมุนีทรงสารเสริญความเป็นผู้มีกาลยานมิตรคนเมื่อคบกาลยานมิตรแม้เป็นพานก็พึงเป็นบัณฑิตได้บ้าง ควครคบแต่สัตบุรุษคนดีคนเมื่อคบสัตบุรุษปัญญาย่อมเจริญได้เหมือนกันคนคบสัตบุรุษจะพึงพ้นจากทุกขได้ทุกอย่างบุคคลพึงรู้จักอริยสัจแม้ทั้งสี่คือทุกขทุกขสมุ ท, ทยัยทุกขเนิโรธและมรรคมีองค์แปด